การที่บอกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการมาเจริญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตมะยปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่ง หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำต่างๆแล้วเวลาเรากลับไปบ้านเราก็ต้องทำการบ้านก็คือเราต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปพิจารณาต่อเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาต่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะจางหายไป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 ลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ไปคิดอยู่เรื่อยๆความจริงอันนี้คือปัญญาอันนี้ก็จะจางหายไปพอจางหายไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์เพียงขณะที่ได้ยินได้ฟัง เท่านั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็จะหายไปหมดเพราะว่าเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นความคิดของเรื่องอย่างอื่นก็จะเข้ามากรบความคิดความรู้ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังทำแต่ถ้าเราเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เนือง เราก็จะรักษาความรู้คือปัญญาอันนี้ไว้ได้แล้วพอเราไปพบกับเหตุการณ์ของจริงคือเวลาที่เราไปเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราไม่ลืมเช่นเราไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะพบกับตัวเราเอง หรือกับตัวของคนอื่นกับบุคคลอื่นถ้าเราไม่หลงไม่ลืมเรามีความรู้อันนี้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เกิดถ้าเรามีปัญญาเราทำการบ้านอยู่เรื่อย การทำการบ้านคือการนำเอาความความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองเรียกว่าจินตามัยปัญญาเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆการคิดการพิจารณาทำอยู่เรื่อยๆนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเราคงเคยได้ยินพุทธานุสติ คือเราลิกถึงพระพุทธเจ้าเราท่องบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เพื่อเป็นการรักษาใจให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบถ้าเราพิจารณารมก็จะได้ผลเหมือนกันคือถ้าเราพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแทนที่เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธ เราก็จะได้สติคือธรรมานุสสติและเราก็จะได้สมาธิคือใจก็จะสงบจากการพิจารณาธรรมที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยธรรมที่เราได้ยินถ้าเราออกไปพิจารณาเช่นความแก่ความเจ็บความตายหรืออสุภะอาการ32หรือการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ อาใจของเราคิดอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องสลับกับการนั่งสมาธิเราก็จะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาพร้อมที่จะเอาไปใช้ดับความทุกขเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเราก็จะมีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามายปัญญา เอาว่าเราได้พัฒนาสุตมยปัญญาด้วยการเจริญจินตาเมยปัญญาอยู่อย่างสม่าเสมอสลับกับการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็หยุดพิจารณาทำใจให้สงบหมายความว่าเวลาจิตรวมแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาแต่เวลาที่ยังไม่สงบเราก็พิจารณาไป แทนการบริการพุทโธก็ได้ถ้าพิจารณาเป็นธรรมจิตก็จะสงบตัวได้เป็นสมาธิได้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ mm hmm. พอออกจากสมาธิมาเราก็กลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการ เข้าไปในสมาธิถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาพอเราพบกับความแก่ปัญญาคือภาวนามายปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราดับความทุกข์ได้คือเราไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความตายเราไม่ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บความตายก็แสดงว่าเรามีภาวนามายะปัญญาดับความทุกข์ได้ปัญญาขั้นที่สามนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้คือต้องเจอความทุกข์ต้องอยู่ในเหตุการณ์ท่านถึงพูดกันว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดต้องมีความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์เราก็เอาปัญญาที่เราได้จากสุตตมัจจัญญาจากการได้ยินได้ฝังแล้วมาพัฒนาด้วยจินตามายจจัญญาพอเราพัฒนาอยู่อย่างต่อนเนื่องก็จะกลายเป็นภาวนามายจจัญญาไปพอเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดกับเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเราเคยพิจารณาเรื่องเหล่านั้นมาก่อนเราก็จะสามารถดับความทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ด้วยปัญญาด้วยภาวนามายปัญญาถ้ายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีภาวนามายปัญญาเดาสอบตกเหมือนกับเราทำการบ้าน แล้พอเราเข้าห้องสอบเราทำไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้เราก็สอบตกเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านใหม่เมื่อเราพร้อมเราก็กลับไปเข้าห้องสอบใหม่อย่างนักเรียนนักศึกษาที่บางคนต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านสอบรอบแรกไม่ผ่านก็ต้องกลับไปทำการบ้านกลับไปดูหนังสือใหม่ไปท่องไปจำให้ไม่ให้ลืม และเวลาเข้าห้องสอบครั้งต่อไปก็จะทำข้อสอบได้นี่คือปัญญาสามระดับซึ่งเหมือนกับทางโลกทางโลกก็เวลาเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือก็เรียกว่าจเจริญสุตมยะยปัญญาพอกลับบ้านก็ต้องทำการบ้านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียน เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วพอถึงเวลาสอบก็เข้าไปสอบแล้วก็ทำข้อสอบถ้าไม่ลืมความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียนก็จะทำข้อสอบได้ก็จะผ่านได้ได้รับป ร, ริญญาได้รับความสำเร็จในการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเดียวกัน ถ้าเราได้ภาวนามยปัญญาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้เราก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้มรรคผลขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาการเจริญมรรคนี่แหละเรียกว่าเป็นการาเจริญปัญญาคือสุตะมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา ถ้าเราพร้อมที่จะเข้าห้องสอบเพื่อทดสอบว่าเรามีภาวนาภาวนามยปัญญาหรือเปล่าพอเราเข้าไ ป, ปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระ ส, สูดาบ ที่ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรา อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องเจริญปัญญานำเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์มาเจริญอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆสลับกับการ เข้าไปในสมาธิถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาทำให้ใจสงบเราก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ใช้อนาปานาสติก็ได้ใช้พุทธานุสติก็ได้ใช้พุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธก็ได้ขอให้ใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณา ปัญญามาเจริญจินตามยพปัญญาพิจารณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆถ้ามีปัญญาอย่างนี้หล่อเลี้ยงอยู่ไปในใจตลอดเวลามีสมาธิความสงบความตั้งมั่นสนับสนุน เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะได้มีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญามาดับความทุกข์ได้ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังถือว่าปัญญายังไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาอยู่ก็ต้องพยายามเจริญให้มากเจริญจนกระทั่ง จิตมีความากล้าหารมีความเด็ดเดี่ยวมีความแน่วแน่ก็ต้องเกิดจากการทำจิตให้เป็นสมาธิจะทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยพุทธานุสติหรืออนาปนาสติหรือธรรมานุสติคือปัญญาก็ได้ อย่างไหนก็ได้ทำแล้วก็ขอให้จิตรวมเป็นเอกขตตารมรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาตั้งอยู่ในความว่างในความสงบมีอุเบกขาเป็นเป็นอารมณ์คือวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอย่างนี้เวลาไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะสามารถใช้ปัญญารักษาใจให้ตั้งอยู่ในโอบเบคาไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรืออะไรก็ตามขั้นแรกนี้ท่านก็สอนให้เจริญพิจารณาเรื่องของความ ความเจ็บกับความตายเป็นหลักคือทุกขเวทนาความเจ็บของร่างกายถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะปล่อยวางทุกขเวทนาที่ได้เวลาร่างกายเจ็บปัญญาก็จะมาพิจารณาแยกแยะว่าเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ใจเวทนาเป็นสภาวธรรม ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาคือไม่มีใครไปบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่ทุกเขาก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ทุกเวลาเขาทุกก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาทุก ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารร้ด้วยอุบเบกขาถ้ามีสมาธิก็จะมีอุบเบกขาแล้วถ้ามีปัญญาก็จะดึงใจไม่ให้ไปอยากให้ความทุกข์นี้หายไป ไม่มีตัณหาความอยากที่จะให้ความทุกข์นี้หายไปทุกขเวทนาหายไปใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเช่นเดียวกับความตายเวลาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายใจก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไป อยากไม่ตายถ้าถึงเวลาต้องตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปยอมตายเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่รินน้ำลมใยถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็ใช้ปัญญารักษาสมาธิรักษาอุเบกขานั้นด้วยพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงไม่มีใครยับยั้งความจริงอันนี้ได้ถ้ายอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาระดับของพระโสดาบันท่านตัมละสักกายะทิฏฐิคือความ หลงความเห็นที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเมตนาเป็นตัวเราของเ ร, เราต้องปล่อยวางเขาไปถ้าปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็จะรู้เองเวลาเข้าห้องสอบถ้าอยากจะรู้ว่าตนเองบรรลุโสดาบันหรือไม่ก็ให้เข้าห้องสอบพิจารณาดูเข้าไปหาความเจ็บดู อยู่กับความเจ็บได้หรือเปล่าอยู่กับความตายได้หรือเปล่าเวลาต้องไปอยู่ในที่ที่หวาดเสียวน่ากลัวท้าทายต่อความเป็นความตายดูว่าใจทุกข์กับมันหรือไม่ถ้ามีปัญญาระดับภาวนามย์ปัญญาที่ได้รับการบ่มด้วยจินตามย์ปัญญาคือได้รับการพิจารณาอยู่เนืองๆสลับกับการ เข้าไปในสมาธิใจก็จะพร้อมที่จะปัญญาที่จะทําให้มีภาวนาไมายปัญญาเกิดขึ้นมาภาวนาก็คือสมะถะภาวนาสมาธินี้ปัญญาก็คือความรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่เรามักจะลืมกันเราไม่มาพิจารณากันพอเราเจอความจริงเข้ามาเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดปัญหาความอยากไม่ให้เจอความจริงอยากจะให้ความจริงอันนี้หายไปแต่ความจริงนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เวลาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเหลืออีกสามเดือนจะไปสั่งว่า หายไปขอให้โรคมะเร็งหายไปสั่งมันไม่ได้มันมาหาเราแล้วอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทําทข้อสอบนี้หรือยังถ้าเราเตรียมตัวมาอยู่ตลอดเวลาเจะเรียนธรรมานุสติพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลาจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้ง เป็นอุเบขาพอเจอความจริงอันนี้ก็จะดับวิภาวะตัณหาได้คือความอยากไม่เจ็บความอยากให้ความเจ็บหายไปพอไม่มีวิภาวะตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมโรคมะเร็งก็ยังอยู่เหมือนเดิมความตายที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสามเดือนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ไม่มีก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่ดับด้วยภาวนามย์ปัญญานีนยก่อนที่เราจะก้าวถึงภาวนามยปัญญาได้เราก็ต้องผ่านสุตตะมย์ปัญญามาก่อนคนที่ไม่ฟั่งเทศสังถามนี้จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตาย พอเจอแล้วก็มีแต่ทุกลูกเดียวทุกอย่างเดียวแต่ถ้าได้เข้าฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะต้องได้ยินเรื่องเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้เพราะอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอริยสัจสี่ทุกขษัตริย์คืออะไรพระเจ้ากระตัดแล้ ว, ลวทุกขสั์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาคจากกัน ถ้าเข้าหาพระพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่มีการพูดถึงเรื่องการแกร่การเกิดการแกร่การเจ็บการตายก็เหมือนกับไปหาหมอแล้วไม่ได้รับยามาได้รับแต่ช็อกโกแลตขนมหวานมาถ้าไปฟังเทศแบบหวานหวานก็ระวังจะแสลงใจในภายหลังจะไม่มียารักษาโรคใจ การที่เราไปหาธรรมะก็เพื่อที่จะไปหายาธรรมะคือธรรมะโอสถนี้เองอยารักษาโรคใจไม่ใช่ไปหาขนมนมเนยมารับประทานกันคนที่เข้าวัดแล้วต้องการฟังเทศแบบหวานหวานนี่ก็จะไม่ได้ธรรมะเวลามาฟังเทศแบบขมผมก็รับไม่ได้ บางคนพอมาฟังเทเววาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เปิดไปไม่กลับมาเลยฟังหนเดียวแล้วก็บายบายเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรเขาคิดว่าธรรมธรรมะเป็นขนมหวานฟังแล้วทำให้เขาสดชื่นเ <c oughs> บิกบานแต่ความจริงฟังแล้วต้องทำให้เขาคิดหนัก เพื่อที่เขาจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นนี่คือการฟังธรรมเวลาฟังธรรมนี้ต้องได้ยินเรื่องทุกขรร์ก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นการฟังธรรมถึงแก่นเป็นการฟังธรรมที่จะดับความทุกข์ได้ตามลำดับต่อไปเพราะเมื่อเราได้ยินเรื่องของ การแก่การเการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายการพัดภาคจากกันเราก็ต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลามันเกิดขึ้นมานการเตรียมตัวก็คือการพิจารณาอยู่เนืองๆถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองนี่จิตก็จะเป็นสมาธิได้ ถ้าเราคิดอยู่กับธรรมะอย่างเดียวไม่ไปคิดในทางโลกมันก็เหมือนกับการบริกรรมพุโทโธหรือเหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นการเจริญธรรมานุสติเป็นการทำใจให้สงบและเป็นการรักษาธรรมะความรู้ไม่ให้หายไปนี่คือหน้าที่ของจินตามยปัญญารักษาความรู้ที่ได้จากสุตะมยปัญญามา รักษาไว้ด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆให้มันฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาเห็นอะไรทำอะไรนี้จะต้องไม่ลืมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายถ้ามันไม่ลืมแล้วมันจะไม่มีตันหาอยากจะได้อะไรไม่อยากจะเป็นอะไรเพราะมันรู้ว่าได้ก็มาได้มาก็ได้มาเดี๋ยวๆชั่วคราวเป็นอะไรก็เป็นชั่วคราวเป็นไปทาไมได้มาทาไม แล้วยิ่งถ้าต้องไปขวนขวายไปวิ่งเต้นไปเสียทรัพยากรต่างๆก็ไปทำมันให้เสียเวลาทำไมสู้มาเตรียมตัวรับกับความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าที่ของจิตตามยะปัญญาอันนี้เราเป็นงานที่พวกเราทำกันเป็นประจำเรียกว่างานภาวนา ภาวนาก็คือจิตตาเมยปัญญานี้ทำให้เป็นสมถะ ภ, ภาวนาก่อนทำให้เป็นสมถะแล้วก็พอเราเข้าห้องสอบมันก็จะเป็นภาวนามยปัญญาหรือเป็นวิปัสนาวิปัสนาก็คือพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับมีอาวุธใกล้ตัวเรา พอมีข้าศึกศัตรูมาเราก็จะคว้าอาวุธเข้ามาหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆไม่คิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันลืมไปพอเวลาข้าศึกศัตรูมาก็หาอาวุธไม่เจอไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนลืมก็จะถูกค่าศึกศัตรูคือกิเลสตันหาเหยียบย่ําทําลายจิตใจสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมา แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะมีอาวุธติดอยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับติดตัวกับเราเลยก็ว่าได้พอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้ก็มันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ญาติโยมมาใส่บาทมาฝากบอกว่ามีพระอาจารย์สุธรรมท่านนักใบผ่าตัดมันก็บอกว่าอ้าวมันก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงได้ จะไปตื่นเต้นตกใจไปอะไรมันก็ไปเปลี่ยนแปลงมันได้ที่ไหนถ้าไม่พิจารณาพอได้ยินข่าวนี้เกิดมาก็ตกใจกันตื่นตระหนกกันเป็นอะไรเป็นเหมือนกับว่าจะจะไม่เป็ดกันอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้มีมีข่าวดีมาจากให้คนเองต้องเข้าโรงพยาบาลกันต้องไปผ่าตัดกันต้องเป็นนั่นเป็นนี่กัน มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนพาที่ขึ้นพายที่ตกมันเป็นเรื่องปกติแต่พวกเรานี่พอพายที่ตกนี้วุ่นวายกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายกันพอร่างกายของใครตายขึ้นมาสักคนนี้วุ่นวายกันไปหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เจริญปัญญา เคยทำที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเช้านี้ก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วทําให้เราเราทําให้หายได้ไง <c oughs> บอให้เมตตาเราก็เมตตาอยู่แล้วอะ่ะแต่ความเมตตามันไม่ได้ไปรักษาโรคภายไข้เจ็บได้โรคภายใกล้เจ็บก็ต้องใช้ยาใช้หมอใช้โรงพยาบาล ถ้าเป็นโรคที่รักษาได้มันก็รักษาได้ถ้ามันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันก็ต้องตายหรือหรือก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ยอมพิจารณากันพอ เ, เกิดความจริงอย่างนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจกันนี่แหละคือความสําคัญของการฟังเทศฟังธรรม ฟังเทศฟังตามเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาของพวกเราโจทย์ของพวกเราข้อสอบของพวกเราเนี่ยเวลาจะสอบเข้ามาหาลาัยนี้เราต้องไปติวกันไปดูข้อสอบเก่ากันว่าเขาถามอะไรกันบ้างเราจะได้เตรียมตัวทำข้อสอบเหล่านั้นไว้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทำข้อสอบได้แต่ไม่ทาแบบโกงเขาจะนั้นแบบว่า รู้ข้อสอบล่วงหน้าก่อนแล้วก็เพียงแต่คอยท่องจําข้อสอบคําตอบของข้อสอบเหล่านั้นคือก็ต้องไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบปอันไหนเพียงแต่อาศัยดูข้อสอบเก่าๆที่เขาให้สอบมาแล้วเตรียมตัวไว้เพื่อให้พร้อมที่จะรับกับข้อสอบที่เขาจะออกมาใหม่ ไม่ใช่ไปแอ บ, บดูข้อสอบแล้วก็เพียงแต่มาท่องจาว่าข้อข้อที่หนึ่งคือกอข้อที่สอ ง, อสองเป็นขอแล้วก็อย่างนี้มันก็แบบว่าไม่ได้ความรู้ที่ข้อสอบนี้เ็าต้องการทดสอบดูความรู้ของเราว่าเรามีความรู้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับการแต่ความจริงของความแก่ความเจ็บความตายนี้เราโกงข้อสอบไม่ได้ ข้อสอบนี้เรารู้กันอยู่ทุกคนว่ามันจะต้องออกมาแน่ๆความแก่มันต้องออกมาแน่ๆความเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องออกมาแน่ๆความตายมันต้องออกมาแน่ๆเราจะทําใจได้หรือเปล่าทําใจไม่ให้ทุกได้หรือเปล่าการจะทําใจไม่ให้ทุกได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือภาวนามย์ปัญญา ที่จะต้องเกิดจากการเจริญจิตตาเมยะปัญญาจิตตามมยะปัญญานี้ก็หมายถึงมีทั้งสติทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพราะว่าการเจริญปัญญาอย่างนี้ได้จิตก็ต้องมีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายคิดแต่เรื่องดินน้ำลมไฟ ไปอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่หลงไม่เลืมและจิตเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้ถ้ามีสมาธิจิตเป็นอัปปนาเป็นอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาความรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดิ น, น้ำลมฝอยพอเจอความจริงปัญญาก็จะสอนให้ใจ ปล oh, ่อยได้เพราะถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์มันจะเห็นตรงนั้นตอนนั้นมันจะต้องเลือกว่าจะจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปพอยอมรับความจริงปล่อยมันได้ความทุกข์ก็จะหายไปถ้าไม่ยอมรับความจริงยังอยากให้ไม่เจ็บยังอยากให้ไม่ตายอยู่มันก็จะทุกข์ อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครอยากจะทุกข์แล้วเมื่อมีปัญญามันก็จะรู้ว่าต้องปล่อยพรามันปล่อยได้แล้วมันก็สบายอันนี้มันก็แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเรื่องของปัญญาสามขั้นมีสุตตะมยะปัญญา เราต้องได้ยินได้ฟังก่อนเพราะเรื่องราวเหล่านี้ปกติเราจะไม่รู้กันเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เรียกว่าวิภวตันหาหรือกามาตันหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ถ้าเรามีกมามาันหาก็แสดงว่าเรายังอยากจะมีร่างกายอยู่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พอมีกามาันหาก็จะไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายไปไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้เวลาตายไปไปเที่ยวไม่ได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไม่ได้ต้องมีร่างกาย ที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ร่างกายมันมันก็สมบูรณ์แข็งแรงได้ในระดับในระยะหนึ่งพอมันเริ่มเข้าสู่สภาพของความชรามันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปไม่สามารถตอบสนองกามาตัญหาได้งั้นถ้าเรายังอยากเที่ยวอยู่เราก็จะทุกข์ยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ก็จะทุกข์ถ้าเราหยุดไม่ใช้ร่างกายหาความสุข หาความสุขด้วยการภาวนาได้เราก็จะไม่ถูกข์ถ้าเราเจริญสติได้ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้เวลาใจสงบนี้ก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าการใช้ร่างกายหาความสุขความสุขที่ได้จากร่างกายนีส้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าได้ความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วก็ สามารถที่จะโยนทิ้งความสุขทางร่างกายได้เลยก็ยมีแฟนก็มีสามีภรรยาก็เลิกกันได้แยกทางกันได้อยู่คนละทิตก็ละทางได้ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีดีกว่าอยู่ใ น, ใ, นใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑอันนี้แหละคือความสุขที่เลิศที่ประเสริฐ เป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรด้วยจะอยู่กับใจเพราะใจสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาอันนี้ต้องตัดตัญหาทั้งสามเสียการมาตันหาภาวะตันหากามาตัญหาก็เกิด อ, อยากจะหาความสุขทางร่างกายภาวะตันหาก็อยากจะหาความยิ่งใหญ่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีหน้ามีตาผ่านทางร่างกาย ส่วนวิภาคทัตถาก็คือการอยากจะรักษาให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแสวงหาทั้งสามตัวนี้ถ้าเราตัดมันได้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกาย นี่ก็คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการดับตัณหาเหล่านี้ด้วยการเจริญเนี่ยเกิดแก่เจิดตายเจริญอสุภะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นธรรมขั้นสูงต่อจากขั้นโสดาบันจากขั้นโสดาบันเราก็ต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่าเรายังมีกามตัณหาคือกามราคกะ เรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองกับกับแฟนของเราอยู่หรือกับคนที่เรารักเราชอบเวลาเราเห็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเห็นว่าสวยว่างามเราก็เกิดอารมณ์อยากจะร่วมสุขกับเขาแต่ถ้าเราพิจารณาส่วนที่ไม่น่าดูของเขาส่วนที่น่าเกลียดของเขาส่วนที่สกปรกของเขา มันก็จะทำให้การอารมณ์นี้ดับไปได้นี่คือที่มาของการเจริญอสุภะกรรมฐานพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะทำให้เกิดกามกามาราคะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามคือส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเนี <At S 1> <to> <go> <Go> no ่ยกระดูกก็ดูทังล่างเลยโครงกระดูกเนี่ยมีใครบ้างไม่มีโครงกระดูกมีอยู่ได้กันทุกคนแต่เวลาเห็นโครงกระดูกนี่กลัวกันไปหมดแต่โครงกระดูกที่อยู่กับตัวอยู่มาตั้งแต่วันเกิดกับไม่กลัวแต่ไม่กลัวโครงกระดูกที่อยู่ข้างนอกที่มันทำอะไรเราไม่ได้เวลาเราไปดูสถานที่ที่เขาจัดให้เราดูโครงกระดูกดูปั๊บใจล้วก็ เกิดความกลัวขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันมีอยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่เคยพิจารณามันเราไม่เคยมองมันไม่เคยเห็นมันพอไปเห็นมันอยู่ข้างนอกร่างกายเราก็เลยกลัวมันแต่ว่าเวลามันซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่กลัวมันนี่เราต้องพิจารณาเพราะมันจะทำให้เราดับกามอารมณ์ได้แล้วเราจะได้อยู่คนเดียวได้ เพราะว่าถ้าเรามีการมาลมเราก็ต้องมีแฟนมีคู่ครองมีเพื่อนนอนเวลาไม่มีเพื่อนนอนก็มีความเหงามีเศร้าความเศร้าส้อยงอยหเหงาว้าเหว่มีความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการมาลมก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภกรรมฐ า, านอยู่เรื่อยๆจะดูอาการสามสิบสองก็ได้จะดู สร้างศพก็ได้ดูเวลาร่างกายแก่แล้วก็ได้เวลาร่างกายเจ็บก็ได้เวลาร่างกายตายก็ได้คนที่เราเห็นว่าเขาสวยเขางามนี่เวลาเขาแก่แล้วเป็นอย่างไรเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาเขาตายเป็นอย่างไรให้พิจารณาภาพเหล่านี้สภาพเหล่านี้ให้มันติดตาติดใจไว้ พอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นม า, มมานึกถึงภาพเหล่านี้ปั๊บมันก็จะหายไปการอารมณ์ก็จะหายไปก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่มีคู่ก็ต้องคู่กับทุกกับคู่กองเขาเรียกว่าคู่กัดคู่กรรมมีทั้งรักมีทั้งชังเวลาที่รักกันก็หวานเวลาเวลาโกรธกันเกลียดกันก็ขม แต่มันเป็นปกติของโลกของจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงบางเวลาก็รักบางเวลาก็เกลียดเวลากเกลียดก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้นี่คืองานของพระอริยะพอสำเร็จโสดาบันแล้วงานท่านต่อไปก็คือการพิจารณาอสุภะ ก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับขั้นต้นตอนต้นเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพอเราไม่มีปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อก็เป็นจินตามัจยปัญญาไปก่อนพิจารณานึกถึงอาการสามสิบสองถ้าไม่รู้ว่ามีเป็นลักษณะอย่างไรก็ไปเปิดดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็ได้ ดูอวัยวะต่างๆดูภาพถ่ายที่เขาถ่ายเวลาที่เขาชำนาญศพจะได้เห็นว่าลำไส้เป็นอย่างไรกระเพาะเป็นอย่างไรตับเป็นอย่างไรไตเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรปอดเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรเลือดอะไรต่างๆนี้เป็นอย่างไรเห็นมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ควาเบื่อหน่ายนี้ก็จะดับกามอารมณ์ได้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันติดตาติดใจเป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนอาวุธคู่กายของเรามองใครก็ต้องมองให้มันพึบเข้าไปหมดเลยไม่ใช่มองแต่เฉพาะด้านนอกเพียงอย่างเดียวมองเข้าไปทั้งข้างในมองทั้งขณะที่เขาเป็นมีมีชีวิตอยู่มองทั้งขณะที่เขาตายไป มองทั้งขณะที่เขาแก่ไปมองทั้งขณะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเมองอย่างนี้ได้มันก็จะทําให้การอารมณ์นี้มันเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดเนี่ขั้นที่สองนี้ก็คือการทําให้มันเบาบางลงไปคือเรายังไม่สามารถที่จะเจริญอสุภะได้ตลอดเวลาได้บ้างไม่ได้บ้าง เวลาได้มันก็จะมันก็จะทำให้การอารมณ์น้อยเบาลงไปเวลาไม่ได้การอารมณ์มันก็เกิดขึ้นมาได้อยู่เรียกว่ายังเบื่อเบื่ออยากๆยากอยกูอยอย่ในขั้นนี้ข่านพระส ก, กิดาคามีก็คือการทําให้กรรมการอารมณ์นี้เบาบางลงไปคือจากร้ออก็เหลือสัก 50% อรซอย่างพระโสดาบานนี่การาอารมณ์ยัง1้0ยอยู่ พอยังไม่เคยไม่ได้พิจารณาอสุภะพิจารณาแต่ความแก่ความเจ็บความตายผ่านความแก่ความเจ็บความตายมาได้ตายมาติดอยู่ที่กามอารมณ์ก็ต้องเจริญอสุภะพอเจริญได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าได้ขั้นสกิดาคามีทำให้กามอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดถ้าเจริญอสุภะได้อย่างต่อเนื่องจน มีอยู่ภายในใจตลอดเวลามองเห็นร่างกายของใครก็จะเห็ น, นสุภะตลอดเวลาอันนี้เวลาเกิดการมลลมขึ้นมาก็ดับการมลลมได้ทันทีก็จะเป็นพระอนาคามีไปก็จะได้บรรลุขั้นที่สามพระอริยเะจะ้าสามขั้นนี้ติดอยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของอ ปัญหาของพระอริย์ทั้งทั้งสามรันนี้ถ้าพิจารณาร่างกายได้น่ปล่อยวางร่างกายได้ทุกสภาพปล่อยความแก่ได้ปล่อยความเจ็บได้ปล่อยความตายได้ปล่อยความสวยงามความหลงยึดติดกับร่างกายอยากจะมีความความสุขกับร่างกายนี้ได้ก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายต่อไปผู้ที่ได้ พิจารณาผ่านได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่มีร่างของมนุษย์สําหรับพระอนาคามีเพราะไม่มีการอารมณ์ไม่มีความอยากจะเสพการถ้ายังมีการอารมณ์ยังอยากจะเสพการก็ต้องมีร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระอนาคามีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นพาะสะกิฎากามีก็ยังกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีความอยากในการอารมอยู่เพียงแต่ไม่มากไม่เหมือนกับพระสวดาบาลการอารมของพระสาวดาบาล น, นี่มากกว่าก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติกว่าจะทําลายการอารมได้หมดหมายถึงว่าถ้าไม่ไม่ขยันทําอย่างต่อเนื่องก็ ก็จะตัดการบรมได้ภายในเจ็ดชาติแต่บางคนก็สามารถตัดได้ภายในวันเดียวเวลาเดียวกันเลยก็มีพอเป็นโสดาบันแล้วก็จะเิศอสุภะต่อไปก็ตัดได้ตัดได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความไวของปัญญาถ้าปัญญาไวมันก็จะตัดอกิเลสตัณหาได้ไวถ้าปัญญาช้า มันก็จะตัดได้ช้าแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาสำหรับพระโซดาบันไม่เกินหนึ่งชาสำหรับพระสกิดาคามีสำหรับพระอนาคามีก็ตัดได้ภายในชาตินี้เลยไม่ติดกับของการกลับมาเกิดเป็นร่างกายกต่อไปถ้าตายไปก่อนที่บรรลุเป็นพระอราหันต์ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรห ม, มโลก ท, ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุดทาวาส มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันนั่นคือที่ไปของพระอน า, าคามีเจิตของท่านแล้วท่านก็จะสามารถเจริญปัญญาทําลายกิเลสที่ยังมีติดหลงเหลืออยู่ภายในใจที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่ละเอียดแล้วท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอยู่ในสวรรค์ชั้นสุดท้าวานัา่นเองนี่คือเรื่องของปัญญา ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทําให้จิตได้บรรลุมรรคผลส่วนศีลสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทําให้จิตเข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลได้ศีล ส, สมาธินี้ทําให้จิตจเจริญขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพและสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่เป็นสวรรค์ชั้นเทพและพรหมที่จะต้องเสื่อมเป็นอนิจจัง พอกำลังของศีลของสมาธิอ่อนลงหมดไปจิตก็ต้องเลื่อนลงมาจากชั้นพรมก็ลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็เลื่อนลงเลื่อนลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ถ้ามาเจอถ้าไม่ได้เจอคนดีอยู่กับคนไม่ดีถูกก้าชวนทำบาปไปทำบาปกับเขา ตายไปก็เลยต้องลงไปต่ํากว่ามนุษย์อีกถ้าทําบาปแล้วก็ต้องลงไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกคือผู้ที่ไม่รักษาศีลห้านี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายก่อนจนกว่าจะใช้บาปหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดมันเป็นมนุษย์ใหม่รอบใหม่ได้มาอยู่กับคนดี เขาชวนให้ทำดีก็ทาดีกับเขาก็ได้ไปสวรรค์ใหม่มันก็จะขึ้นเคลื่อนลงๆอย่างนี้ไปจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ตัดตัณหาความอยากเพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือขั้นของปัญญาการตัดตัณหานี้ต้องตัดด้วยปัญญา ปัญญาก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็จะได้ก้าวเข้าสู่อริยะภูมิได้เข้าสู่การเป็นพระอริยะเจ้าได้เป็นพระโสดาบันพันธะสกิทาคามีพระอนาคามีพระอารหันได้ พระ อ, อริยเจ้านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีใครมีปัญญาที่จะรู้เห็นอริยาาสัจสี่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวศาสดาของศาสนาอื่นนี่เขาได้เพียงระดับของการทําใจให้สงบเป็นพรมเขาจะพัฒนาจิตใจให้สูงเท่าระดับพรมเท่านั้น เขาจะรู้จักวิธีนั่งสมาธิทําใจให้สงบแต่เขาจะไม่รู้จักการเจริญปัญญาเขาจะไม่รู้จักอริยสัจสี่ว่าทุกนี้เกิดจากสมุทัยคือความอยากทุกจะดับได้ก็ต้องละสมุทัยสมุทัยจะละได้ก็ต้องละด้วยมรรคมรรก็คือศินสมาธิปัญญา อันนี้จะมีอยู่ในศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเป็นศาสนาที่จะนําพาสรรพโลกให้หลุดออกจากวัฏจะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็มีสองทางมีทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองต้องตัดสรู้อย่างพระเจ้าชายสิทธัตถะนี้มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา พยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนให้ไปได้ถึงระดับพรมมาโลกเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์เลยต้องใช้ปัญญาของพระองค์เองพิจารณาเองศึกษาเองและในที่สุดก็ได้พบกับพระอริยรสัจสีพบเห็นต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือตันหาความอยากนี่พบพบเห็นวิธีที่จะดับตันหาความอยากก็คือศินสมาธิปัญญานี่แหละคือความรู้ที่ ม, มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองคนอื่นนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาเห็นก่อนเห็นแล้วเอาความรู้นี้มาสอนอีกทีหนึ่งถึงจะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นพระอาหลานตักสาวกทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าตักสรุแล้วพอทรงประกาศทำสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็มีผู้บรรลุ ก, กันเป็นจำนวนมากเลยขั้นต้นการพระปัจจวัคคีทั้งห้าทรงแสดงธรรมปวดพระปัจจวัคคีเพียงสองสามครั้งท่านก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หมดเพราะท่านได้เห็นอริยสัจสี่ ต่างที่พระเจ้าได้ส่งเห็นส่งชี้บอกให้ดูที่มีอยู่ในใจของของสั์โลกทั้งหมดทุกทุกคนแต่จับโลกไม่มองเข้าไปในใจกันเวลาทุกแทนที่จะมองเข้าไปในใจกลับไปมองออกข้างนอกไปหาที่แก้ความทุกข์ที่ข้างนอกกันเวลาทุกก็ไปหาอะไรกินกันมันก็หายทุกไปแทนที่จะมาดูพราว่าทุกมันเกิดจากอะไรก็ไม่ดูกัน อันนี้แหละเป็นความประเสริฐเลอโลกของพระพุทธศาสนาที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเองได้มีสิทธิ์ที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ยินดีไม่สนใจจะศึกษาก็เรียกว่าเสียชาติเกิด กิดมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์ทอะไรยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่ออีกยังไม่มีไม่มีอันอันสิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความสนใจแล้วมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วมีศรัทธาที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพราะฉนั้นแหละถึงจะได้มีโอกาสที่จะได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะหลุดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรนะถ้าขี้เกียจก็อาจจะไม่ทันกับเวลาก็ได้เพราะชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้าเราวัวผัดวันประกันพรุ่งไว้วันหน้าไว้ปีหน้าค่อยเข้าวัดแต่ปีนี้ขอเที่ยวก่นอนยังแข็งแรงอยู่อันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามัน มันป่วยไข้ขึ้นมาก็วตานหันมันไม่มีใครรู้นะบางทีอยู่ดีๆมันก็เจ็บขึ้นมาพอไปหาหมอหมอบอกโอ้ตายแล้วเป็นมะเร็งแล้วเน้นอย่าประมาทต้องสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เราเล่นความเพียรไม่ให้ประมาทนอนใจพอเราเล่นความเพียรแล้วเดี๋ยวเดียวงานของเราก็เสร็จนงาน สุตมายาปัญญางานจินตามายาปัญญางานภาวนาปัญญาปัญญาก็จะเสร็จอยู่ที่การกระทําของเราเองมันฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็หมันเอาไปเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอเราพร้อมแล้วก็เข้าห้องสอบไปหาห้องสอบกันนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าลุกให้มันหายเองแล้วก็ไม่หรือไม่งั้นก็ไปหาที่มันน่ากลัวที่ที่มันเสี่ยงเป็นเสียงตายดูดูซิว่าจะทําใจ ได้หรือไม่ถ้ามีภาวนามาย์ปัญญาก็จะปลงได้จะมีภาวนามาย์ปัญญาได้ก็ต้องมีจินตามาย์ปัญญาก่อนและมีจินตามาย์ปัญญาก็ต้องมีสุตตามาย์ปัญญาก่อนนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้นำเอามาดับความทุกข์ทั้งหลายมรรคตัญหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ตัวของเราเองเราต้องปฏิบัติเอง พระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีให้พวกเราแล้วอยู่ที่เราเองไม่มีใครทําให้เราได้เราต้องทําเองถ้าเราทํำรับรองได้ว่าเราก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านก็ทําเองกันทั้งนั้นไม่มีใครทําให้ท่านท่านทําเองกันทั้งนั้นท่านก็ได้ผลถ้าเราทําเองเราก็ได้ผลครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ทุกวันนี้ท่านก็ทําเองนะท่านมีครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ทําให้ท่านไม่ได้ ท่านได้อยู่ในฟังธรรมแล้วท่านก็เอาไปเจริญต่อเอาไปปฏิบัติต่อแล้วท่านก็ทําจนสําเร็จกันทุกองค์จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสุดตรมยมปัญญาเพื่อที่จะได้นําเอาไปเจริญจินตาเมายปัญญาต่อเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับการดับความทุกข์ที่จะเป็นภาวนามายปัญญาตามลําดับต่อไปนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาหริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกาปาจันโทปันะระโสยท้ามณิโชติระโสยท้าสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุ มาเตภวะตวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสศีลสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธมาวทานติอายุวโนสุขังพาลาง ต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคําถามถ้าอยากกระถามก็ขอเชิญขึ้นมาที่ศาลาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้อื่นจะได้ยินคําถามด้วยถ้าไม่มีตอนนี้ก็จะให้ทางอินเทอร์เนต็ตทางบ้านเขาถามไปก่อนครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณวิลาลัยนะครับการดูจิตใช้สติปัญญาตัดกิเลสได้ชั่วคราวถ้าเราปฏิบัติทำอยู่แล้วใช้อุเบกขาตัดกิเลสได้ถาวรเราจาเป็นต้องเรียนใช้การดูจิตหรือไม่และถ้าเรียนอุเบกขาทาอยู่จะหายไปหรือไม่คือมันต้องใช้ทั้งทั้งปัญญาทั้งสมาธิ คือจิตต้องมีอยูเบกขาเป็นพื้นก่อนแล้วก็ใช้ปัญญารักษาอุเบกขานั้นไว้เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาจะถูกโมหะความหลงหลอกให้จิตไปเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอุเบกขาก็จะหายไปดังนั้นต้องมีทั้งอุเบกขาต้องมีทั้งปัญญาถึงจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร การดูจิตก็ก็หมายความว่าเนี่ยการใช้ปัญญาเพราะว่าใช้ปัญญาดูจิตตอนที่จิตเกิดความทุกข์ทุกมันเกิดขึ้นมาในจิตพอเรามีสมาธิ่นจิตเราจะเห็นจิตแล้วเราเราจะมองเห็นจิตแล้วจิตสงบเป็นอย่างไรจิตเป็นอุเบกขาเป็นอย่างไรพอจิตเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอุเบกขาหายไปก็จะรู้ พอจะรู้ว่าอุเบกขาห้ไปต้องการจะรักษาอุเบกขาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้ในสิ่งที่โมหะหลอกเช่นอยากจะไปมีแฟนก็ใช้ปัญญาว่ามีแล้วทุกข์พอเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็จะหยุดไปหาแฟนมันก็กลับมาสู่อุเบกขาได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาแฟนอีกต่อไป อันนี้ต้องใช้ใช้ใช้หลายอย่างรวมกันแต่ว่าดูจิตก็ใช่เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่จิตอริยสัจ ส, สี่มันอยู่ที่จิตนิโรธก็คืออุเบกขาเวลาไม่มีความทุกข์นี้จิตก็เป็นอุเบกขาพอเกิดตัณหาขึ้นมาจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา<อ>ก็ต้องใช้ปัญญาคือมามาสอนจิตให้หยุดตัณหาเพราะสิ่งที่ตัณหาต้องการนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข พอเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันเป็นไตรักษณมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปเวลาสูญไปก็ทุกข์เวลาได้อยู่เวลามีอยู่ก็ทุกข์กลัวมันจะสูญมั น, น ก, ก, ก็เลยไปการที่คิดว่าไปได้สิ่งนั้นมาจะได้ความสุขมันกลับเป็นความทุกข์เสียมากกว่าถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะหยุดความอยากได้สิ่งนั้นพอหยุดความอยากได้อุเบกขาก็กลับคืนมาคลียร์นิโรธความสงบก็กลับคืนมา ความดับทุกข์ก็กลับคืนมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ข่านของสมาธิปัญญาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จิตมันจะเข้าข้างในแล้วเมื่อก่อนนี้จะออกไปทางข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกงิ้นกายเราจึงต้องใช้สติดึงเข้ามาใช้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือใช้การพิจารณารมอย่างที่ได้เทศไว้เมื่อกี้นี้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าพิจารณามันก็จะดึงใจให้เข้าข้างในพอเข้าเข้ามา ใ, ใจสงบปั๊บมันก็จะเห็นใจเห็นความสุขว่าอยู่ที่ใจนี่มันจะเห็นใจแล้วว่าเป็นตัวปัญหาใจจะสุขใจจะทุกข์มันอยู่ข้างในนี้เองนี่เรียกว่าการดูจิตการจะดูจิตได้อย่างจริงแท้ต้องต้องได้สมาธิก่อนถ้าไม่ได้สมาธินี่เหมือนกับดูจิตจากข้างนอกเหมือนกับเราดูดูดูจากนอกบ้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เราไปทําอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ข้างนอกบ้านถ้าเราอยากจะแก้เหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านเราต้องเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในบ้านได้ดังนั้นผู้ที่จะดูจิตได้จริงๆนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้สมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วจิตต้องรวมลงเป็นหนึ่ง<ร>เป็นอัปปน า, าแล้วทีนี้ละจิตเข้าข้างในแล้ะเห็นข้างในแล้ะดูจิตได้แล้ว อย่งนี้จะดูจิตจริงถ้าดูจิตแบบที่ยังไม่มีสมาธิก็เหมือนบางเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็เห็นเห็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยากจะให้มันหายไปมันก็หายไม่ได้เพราะอยู่ข้างนอกเหตการมันอยู่ข้างในต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหามันอยู่ข้างในหยุดตัณหาไม่ได้พอหยู่ตัณหาได้มันก็ไม่ทุกข์นี่ทุกข์เพราะมันหยุดตัณหาไม่ได้เช่นแม่ไม่สบายก็ทุกข์ เพราะอะไรเพราะอยากให้แม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมเจ็บใช่ไหอยากจะให้แม่หายพอแม่ไม่หายก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่ข้างในก็จะรู้ว่าความทุกข์ของตนเกิดจากความอยากของตนถ้าอยากจะดับความทุกข์ของตนก็ต้องปล่อยให้แม่เป็นไปตามเรื่องของแม่ไปก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่นี้ตนนัวเองก็จะไม่ทุกข์ คำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับคุณแม่ท่องได้แต่บทอิติปิโสจะมีอุบายในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างก็ให้ท่านสวยไปทั้งวันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านสวยอิติปิโสได้ทั้งวันท่านก็จะมีสติมีสมามีสมาธิดัง น, นั้นท่าสมาธิจิตก็จะสงบได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างไร ปัญหาของคนก็คือชอบไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยทำไมตัวเองไม่ไม่อยากให้ตัวเองสวดบ้างชอาไปให้แม่สวดอยายอยากให้แม่อยากให้ลูกไม่เคยดูตัวเองเลย <c oughs> คําถามข้อต่อไปจากคุณใจชุ่มนะครับกาปเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีแนวทางในการเริ่มปฏิบัติอย่างไร สำหรับเด็กเล็กๆ 5-7 ขวบเพื่อให้เขาสามารถเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปัจจุบันก็ได้พาไปทำบุญตักบาทเข้าวัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแต่เด็กๆ ก, ก็ยังนั่งสมาธิไม่ได้และมีพาไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้างทำความสะอาดรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางที่ถูกต้องด้วยค่ะก็ทำที่ทำมาก็ถูกแล้ว เราก็ต้องทําตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราใส่บาตรลูกก็ก็ใส่บาตรตามเราเรานั่งฟังเทศเขาก็ฟังเทศตามเรา <ffee. S 1> เรารักษาศีลเขาก็จะรักษาศีลตามเราเราไหายพระสวดมนต์เขาก็จะไหวยพระ ส, สวดมนต์ตามเราเราเป็นบุพการณ์ของลูกคือเป็นอาจารย์คนแรกของลูกดังนั้นเราก็ต้องทําตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในลูกเขาเรียนรู้จากเราเช่นภาษานี่เขาก็เรียนจากเราอาหารการกินเขาก็กินตามเราเรากินอะไรก็กินตามเรากินเฉะนั้นถ้าเราทําอะไรเขาก็ทําตามเราส่วนเขาจะทําได้มากได้น้อยนี้มันก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าเขานั่งสมาธิได้เพียงหนาทีก็เป็นความสามารถของเขาเท่านั้นก็ต้องต้องยอมรับความจริง ถ้าเขารักษาศีลไม่ได้ครบห้าข้อมันก็เป็นความสามารถของเขาแต่เราทําหน้าที่ของเราที่ดีแล้วก็คือทําตัวอย่างทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่สอนให้ลูกรักษาศีลห้าพ่อแม่ก็กินเหล้ากันทะเลาะกันสูบบุหรี่กันอย่างนี้สอนไปก็เหมือนกับแม่ปู่สอนลูกปู่บอกให้ลูกปู่เดินตรงๆแต่พ่อแม่ก็เดินเฉไปเฉมา แล้วลูกมันจะไม่เดินเทตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกเป็นอย่างไรก็เราต้องทําตัวอย่างนั้นเพราะลูกเขาจะเรียนจากเราเขาจะเอาแบบเรานี่คือวิธีของพ่อแม่ที่จะสอนลูกเพระาะฉะนั้นครับช่วงนี้อ่านับวันนะครับยิ่งใช้ใช้อุบายในการ นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่างๆนะครับยิ่งเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานทำมามากน้อยแค่ไหนยิ่งเปรียบเทียบเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งกลายเป็นผ้าคิริ้วเรายิ่งกลายเป็นตอนนี้เหลือแต่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วครับพระอาจารย์ถ้าหากมาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็หลงไปว่าเฮ้ยเราทํางานเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็จะหลงไปแต่ถ้าได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เนี่ยเราเป็นแค่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆเองครับอาจารย์ ก็ดีไงการที่เรารู้ว่าเรายังโง่อยู่นี้ท่านบอกว่าเป็นมีโอกาสที่เราจะฉลาดได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วนี่เรานั่นะเป็นคนโง่ที่แท้จริงเพราะเราจะไม่สนใจที่จะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมดังนั้นการที่เราเห็นว่าเรานี่ยังด้อยอยู่มันก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องพยายามพัฒนาตัวเราเอง ให้ดีขึ้นไปตามลําดับการที่เรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยบุคคลมาเป็นตัวแบบฉบับเป็นมาตรฐานนี้ก็จะเป็นการช่วยดึงเราให้เราได้พัฒนาตัวเราเองขึ้นไปถ้าเราไปเปรียบกับคนที่ด้อยกว่าเราเราก็จะคิดว่าเราเก่งแล้วแต่ถ้าเราไปเปรียบกับคนที่เก่งกว่าเราเราจะเห็นว่าเรายัางต้องพัฒนาอีกมากนะ มันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสได้พัฒนาและได้เก่งขึ้นไปตามลำดับจนได้เก่งถึงขั้นสูงสุดได้หมดแล้งหมปัญหาห ม, นะมีท่านข้างหลังอยากจะถามเลยค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเรา พอต่างเป็นบางครังเนี่ยเราเราระลึกรู้ถึงความรู้สึกต่างๆในระหว่างวันแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่จิตมันชอบไปชอบไปยึดกับอารมณ์คือเหมือนกับยึดกับการตามดูแล้วพอเราพอเรารู้สึกว่าพอยึดแล้วเราก็จะเผลอไปเลยมีวิธีไหนที่จะทําให้ทําได้อย่างเป็นธรรมชาติบ้างไหมคะก็ให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกับการทํางานต่างๆให้เราจดจ่ออยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรากําลังแปลงฟันล้นางหน้าทําอะไรอยู่เราก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เอาดึงใจผูกใจไว้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิไดถ้ถ้าเกิดว่า ระหว่างที่เราคือเราคิดคระว่งที่เราเราคือถ้าพระอาจารย์หมายความว่าให้เราตามดูกายไปก่อนหรือเปล่าคะเออให้เฝ้าดูกายไปก่อนเพื่อให้ใจมีที่เกาะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าไม่มีที่เกาะพอเราแปงฟันอยู่แล้วคิดถึงหนี้ที่เราจะต้องจ่ายเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้น ใจเราก็จะวุ่นไปกับความคิดของเราการที่ให้ดูร่างกายก็เพื่อที่หยุดระงับความคิดต่างๆที่ไม่จําเป็นเสียถ้าจะคิดก็ให้คิดอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เช่นเรากําลังแปลงฟันอยู่เราก็ต้องคิดว่าตอนนี้เราแปลงด้านซ้ายหรื อ, อยังแปลงง้างขวาหรื อ, อยังก็คิดได้เท่านั้นให้อยู่กับงานแล้วเราจะควบคุมจิตของเราไม่ให้ไปคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆหรือเวลามีอารมณ์ต่างๆเข้ามา ใจก็จะได้ไม่ไหลาตามอารมณ์เหล่านั้นไปเพราะใจจะมีที่ยึดเหนี่ยวมีร่างกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาใจของเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เวลานั่งสมาธิเราก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้คิดไกลกับเรื่องราวต่างๆแล้วความ ที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจไม่ลอยไปลอยมาก็การใช้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปควบคู่กับการกระทาของเราอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ ตอนนี้เรายังไม่มีกำลังที่จะไปตามดูเหตุการ์ต่างๆเพราะเราตามดูแล้วมันก็จะไหลาตามเขาไปไหลแล้วก็เบรกไม่อยู่เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของความคิดแล้วก็ติดอยู่กับร่างกายก่อติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่เกาะติดไว้เวลานั่งสมาธิมันก็ลอยไปลอยมาอย่านันั่งไปนานทักเท่าไหร่มันก็ไม่สงบสักทีเพราะเราไม่มีสติดังนั้นถึงคอยสอนอยู่เสมอว่าต้องหมั่นจเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ใจมีอะไรยึดเกาะยึดเหนียวไว้อย่าให้ลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ อย่าให้ลอยไปตามกระแสะของความคิดอย่าไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าใช้พุทโธก็ท่องพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้าใช้ร่างกายก็เข้าดูการกระทําของร่างกายไปแล้วใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ได้ผลถ้าถ้าใจไม่สงบนี่ยังถือว่าไม่ได้ผลเอาจะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาต่อไปไม่ได้ยหตุการตัวนี้มันจเจริญสติให้มากหาอะไรเกาะให้หาอะไรให้เป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจบริกรรมพุทโทธจะใช้ร่างกายก็ได้หรือจะเตือนสติว่าให้อยู่ในปัจจุบันอย่าลอยไปอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคต ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถามตัวเราเองบ่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือเราไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กรุงเทพแล้วหรือไปอยู่อาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวที่นูน่นใจมันไปถึงนู่นแล้วเดึงมันกลับมานะให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับความว่างแล้วใจจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี่แหละ เพราะความว่างจะทำให้ใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีความรักชังกลัวหลงก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใจก็จะเย็นจะสบายเพราะฉั้นถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องขยนันเจริญสติอันนี้เป็นงานสำคัญอย่างมากสติเป็นผู้นำทำทั้งหลายถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิก็จะตามมา มีสมาธิปัญญาก็จะตามมามีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จะตามมาถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นปฏิบัติไปกี่ปีกี่ชาติมันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีทำปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆคิดว่าคิดว่าปฏิบัติได้แต่มันปฏิบัติข้ามขั้นต้นบางทีไปขั้นปัญญาโดยที่คิดว่าเป็นปัญญาความจริงมันเป็นความคิดฟุ้งซ่านเลยมากกว่า ถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะต้องสงบมันต้องตั้งมัน่นเป็นอย่างให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปทั้งวันเนี่ยถ้าพิจารณาได้รับรองได้ว่าจิตมันจะต้องสงบต้องตั้งมั่นได้อย่างที่พระเจ้าสอนให้ก็อนุนพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันเนี้เป็นอุบายสอนพระอนุนให้เจริติเพื่อให้ได้สมาธิตามลําดับต่อมาแล้วก็จะได้ปัญญาด้วย เพราะนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธิความความรู้ว่าเกิดมาต้องต้องแก่เจ็บตายเนี่อันนี้เรียกว่าปัญญาเพราะอันนี้เห็นอันนี้จังเห็นอนัตตาแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ดังต้องขอให้พยายามเจริญสติให้มากๆถ้าใช้ปัญญาเจริญสติได้ก็จะได้สองสองกรท o เลยยิงนกตัวยิงนกยิงนกสองตัวด้วยกระสวนลูกเดียว คือถ้าจเจริญปัญญานี้จะได้ทั้งสมาธิและจะได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าจเจริญอานาปนาสติหรือบริกรรมพุทธะหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็จะได้สมาธิีอย่างเดียวได้สติได้สมาธิีอย่างเดียวแต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะต้องเห็นอานิจจ์เห็นทุกขงังเห็นอนัตตาจะเห็นได้ก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาอสุภะถึงจะเห็นอันนี้ก็แล้วแต่เจริญบางคนถ้าเป็นพุทธที่เจริตที่เรียกว่าคนที่ชอบใช้ปัญญาเนี่ยวกนี้เขาจะใช้ปัญญานำหน้างานการปฏิบัติของเขาแต่พวกที่ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้การบริกรรมนำหน้าใช้การท่องบริกรรมไปแล้วค่อยมาสอนให้คิดไปในทางปัญญาต่อไป ซึงก็อาจจะช้าพวกที่ปัญญานี้จะเร็วพระอาจารย์ครับศรัทธาที่มีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครับมีความจําเป็นและ อ, อย่างไรครับในการปฏิบัติธรรมขั้นเข้มข้นครับพระอาจารย์คือถ้าเรามีศรัทธ า, ามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านปฏิบัติก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนเรา ก็เป็นคนธรรมดามีกิเลสตัณหาหแต่ว่าท่านฉลาดท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีไม่น่าน่าทั้งการคิดหาวิธีทำไงไม่จะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายท่านก็เห็นว่ามันมาจากการเกิดท่านก็กลนหาต้นเหตุของการเกิดก็พบว่ามันเป็นตัณหาความอยาก พอท่านค้นพบแล้วท่านก็ปฏิบัติทําลายตัณหาหมดท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิด น, นี่คือการศึกษาเพื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครเมื่อเราศึกษารู้แล้วรู้ความสามารถรู้สิ่งที่ท่านทําได้แล้วเราก็อยากจะทําเหมือนท่านศรัทธาก็คือว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านเป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นนิทานเป็นคนที่ค้นค้าหาวิธีดับความทุกข์ หาวิธีดับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเหมือนกันเราก็ต้องทําตามแบบที่พระเจ้าทรงกระทําเพราะมีผู้ที่กระทาตามแล้วกลายเป็นพาาระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วนี่ก็คือความมีขดทาวความเชื่อว่าเนี่ยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนับรองได้ว่าจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับนี่คือศรัทธา พอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีความมั่นใจมีความวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติตามเหมือนกับถ้าเราซื้อของแล้วเรามั่นใจว่าซื้อของชิ้นนี้มาแล้วจะเป็นไปตามที่เขาโฆษณาไว้เช่นซื้อซื้อรถคันนี้มาแล้วจะมีสมรรถภาพอย่างนั้นจะวิ่งได้ดีอะไรมีทุกอย่างตามที่เขาโฆษณาพอเรา เราได้ยินได้ฟังจากคนที่เขาซื้อมาแล้วเขาใช้มาแล้วเขาบอกดีเราก็จะซื้อตามที่เขาบอกเนี่เรียกว่าศรัทธาคือให้เรามีความมั่นใจว่าการกระทําตามคำสอนของพระเจ้านี้ไม่ไร้ผลทำแล้วจะต้องได้ผลตามที่พระเจ้าได้ส่งประกาศไว้ส่งโฆษณาไว้ เหมืกับที่โฆษณาสินค้าต่างๆที่เขาได้โฆษณาไว้ว่าสินค้าชนิดนี้มีประสิทธิภาพอย่างนี้มีความสามารถอย่างนี้มีผู้ที่ซื้อไปแล้วมารับรองก็คือพระอาหลานต่สาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มารับรองว่าเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่วิเศษคือมาคผลนิพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน คือทานศีลภาวนาพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเราทุ่มเทมันก็จะได้ผลนี่คือความหมายของศรัทธาพระอาจารย์ครับเกิดเป็นคนไทยโชคดีครับมีเรื่องให้องลองจิตเยอะครับ จากเรื่องเด็กโดนกลมขืนบนรถไฟครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องโคชเชนะครับเทควนโดคนกําลังลุมด่ากันทั้งประเทศเอ่ฝายได้ไฟหนึ่งครับอาจารย์อโรคนี้ก็เป็นโรคของโรค ก, กระทำแปดเนี่ยเกิดโรคของการเจริญเสื่อมเจริญและเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขมีลาบก็ต้องจมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสารเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจะไม่หลงยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้รับรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเหมือนกับน้ำบนใบบัวจะไม่ดูดซึมเข้าหากันเพราะว่าใบาบัวนี้จะไม่มีอุปทานตัวที่จะยึดกับเหตุการณ์ต่างๆ ใจที่มีปัญญาจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้เพราะจะพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นตายักถ้าไปยึดติดแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็จะเป็นทุกข์อยากไม่ได้ยินกับกละหานินทาก็จะเป็นทุกข์เวลาได้ยินแต่ถ้าไม่มีความอยากการจะครหารนินทาก็เฉยๆกายจะสรรเสริญก็เฉยๆ นีกลักษณะของหยดน้ําบนใบบัวเป็นอย่างนั้นการที่จะทําใจให้เป็นใบบัวได้ก็ต้องมีอุเบกขาการจะมีอุเบกขาได้แจ่มท้าวอนก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเฉะนั้นผู้ที่มีมีรมแล้วจะจะรู้ทันโลกเนี่ยฉะั้นเรียกว่ารู้รู้โลกเนี่ยโล ก, กับวิถีพระพุจะเจ้าเป็นโลกกับวิถีพระพุทธเจ้าไม่หลงโลกเหมือนพวกเรา พวกเราอยังหลงกับลาบยศสรรเสริญสุขอยเวลาได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี้ดี อ, อกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันสามวันสามคืนเวลาสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุไปร้องห่มร้องไห้ไว้ทุกกันเนี่ยเป็นนี่เรียกว่าไม่ได้ทําใจให้เป็นใบบัวทําใจให้เป็นกระดาษซับกระดาษซึมพอเจริญก็ดูดมาเต็มที่เวลาเสื่อมก็ดูดมาเต็มที่ เวลาดีใจก็ดีใจสุดๆเวลาเสียใจก็เสียใจสุดๆเนี่ยนี่คือลักษณะของโลกของจิตของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญญาถ้าจิตของพระอริยะเจ้าของพระอรหันต์ของพอระ พ, พุทธเจ้านี้จะเฉยๆกับโลกธรรมทั้ง8ปดอันนี้ก็คือเรื่องของอ่ะมี คำถามต่อเนี่ยจะมัลคโฟนต้อ hmm. ง เ, เปิดไมค์ด้วยนะมีเสวิกมีเสวิกอยวฮัลโหลค่ะเอ <laughs> เ อ, เ, อ, เ, อเวลาปฏิบัตินะคะช่วงหลังๆนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มล้าๆ ล, ลงอาจจะเป็นเพราะว่าสมาธิที่มันน้อยลงคือช่วงนี้ เต้องครุกครีต้อง ค, ค, องคือฟู้งซ่นค่อนข้างมากมันทำให้การดูมันจะดูเหมือนดูส่งสงเช่อนอย่างสมมติว่าเวลาร่างกายอยากจะขยับก็จะเห็นแบบสงสงหรือเวลาเห็นเหมือนเวลาโกรธวาบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูส่งสงเออดูผ่านๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูแต่คราวนี้พอดีเพื่อนบอกว่าเออต้องดูให้จนจบแล้วก็อืม เหมือนกับสอนมันว่านี่นะมันดับแล้วเอ่อไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ผลอะไรอย่างนี้คือคือเราต้องดูจนจบคือตั้งใจดูอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าดูส่งๆผ่านๆเอาแค่แบบเออวับบัผ่านๆพอแล้วคือการดูอะไรก็ตามนี้ดูเพื่อดูปฏิกิริยาของใจเราต่อสิ่งที่เรารับรู้ว่าใจเราเฉยได้หรือไม่ท่านั้นเอง เช่เวลาเกิดอารมณ์โกรธเราเฉยกับความโกรธได้หรือเปล่าหรือเราเกิดปฏิกิริยากับความโกรธใจสัน่นเนื้อสั่นนี้ก็เรียกว่าใจมีปฏิกิริยากับความโกรธแต่ถ้าใจดูความโกรธว่าเป็นของนอกใจเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันโกรธก็ให้รู้ว่าเป็นโกรธเฉยๆไปเรา เราเราก็อยู่เฉยๆไปความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปคืออย่างที่เห็นคือเหมือนกับว่ามันวาบแล้วมันก็หายไปแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้สอนเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนที่เมื่อก่อนเคยตั้งใจว่าเออนี่นะมันดับแล้วนี่แหละมันอุ๊ยมันขึ้นมาคือมันเหมือนเมื่อก่อนมันมีฉันทะที่จะดูที่จะเห็นแล้วตื่นเต้นกับมันแต่ตอนนี้คือรู้สึกมันเนื่อยเหนื่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะไปดูอะไรกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันคงจะเจอบ่อยม้งเพราะว่าดูนานดูมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ตายแท้ทีมันก็โผล่มาอยู่เรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่รากของมันรากของความโกรธมันก็เกิดจากความอยากนี่เองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธ ถ้าเราอยากจะไม่ให้ความโกรธนี่มันกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องอย่าไปอยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรมันก็จะไม่โกรธ ถ, ถ้าอย่างนั้นคือคือคําแนะนําที่จะให้เอ่าปฏิบัติต่อก็คือให้ดูลึกไปกว่า น, นั้นคื อ, อ, อก่อนที่จะโกรธพยายามอาจจะให้เห็นว่าเออเราจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราถึงได้โกรธมัน <ต>อย่างนนั้นคือเราต้องต้องระมัดระวังเวลาเราทําอะไรอย่าทําด้วยความอยากพอทําด้วยความอยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันจะโกรธตามมาแล้วต้องทําแบบว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเช่นสั่งกว๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเาข้าผัดมาให้อย่างนี้อ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาข้าผัดมาข้าวผัดก็ได้กินข้าวผัดก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธแต่ถ้าประยึดมั่นถือมั่นกับความอยากของเราว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยว แล้วเขาเอ า, เอาเข้าผัดมาให้ก็จะโกรธเขานี่ยกตัวอย่างไม่ว่าทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลแล้วก็อย่าไปยึดติดกับผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะต้องได้ตามที่เราเราอยากได้หรือเราเราต้องการมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะมันเป็นอนิจจ์มันมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ ถ้าเรารู้อย่างนี้เราเตรียมรับกับทั้งผลทั้งสองแบบคือเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นข้าวผัดก็ได้นี้มันก็จะไม่เกรดแล้วคือตกลงต้องทําอะไรกับการเบือ่อหรือว่าความแสงที่จะดูตรงนี้ไหมคะหรือว่าก็ดูอย่างนั้นไปอดทนดูไปจิตเรามันอยู่ในช่วงที่มันมันตกต่ําเพราะเราไม่ได้เจอริอนสติอพอไ ม, ม่แล้วมันไม่มีอะไรให้ใหมันมีความสุขมันก็เลยรู้สึกเบื่อๆไหน เราต้องมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็จะหายไปอันนี้เราแบบว่าปล่อยใจให้มันไหลไปตามอารมณ์พอดีไปเจออารมณ์เบื่อหน่ายมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะฟื้นมันก็กลับมาจเจริญสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปต้องการอะไรให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆ แล้วใจก็จะว่างแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปนักกาเรียนถามอาจารย์คือขณะที่อาจารย์เทศก็นั่งสมาธิในการฟังก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสมาธิมันยังไม่แ น, น่นแต่ก็ อยู่พักหนึ่งก็กำหนดการได้ยินไม่ได้กำหนดคือรู้ว่าได้ยินแล้วก็เข้าสมาธิก็รู้สึกว่าอืมมันได้สมาธิถึงความนิ่งสงบได้ยินพาาระจันทร์ชัดเจนเสร็จแล้วพอขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าความปวดขึ้นมาละแต่ด้วยความที่ความปวดขึ้นมาเราก็รู้ว่าความปวดเนี่ย เคยผ่านอาการที่มีจิตตั้งมั่นในการดูความปวดจังเลยกับเพราะตอนนี้มันมาปับ๊บก็รู้สึกว่าเราต้องกําหนดเรื่องความปวดแต่การกําหนดความปวดเนี่ยถ้าเราตั้งใจในการที่จะอยากให้มันหายเนี่ยมันไม่หายเราก็ต้องปล่อยปล่อยความรู้สึกที่ว่าแค่รู้ว่ามันปวดแต่ว่าก็ต้องกลับมาฟังอาจารย์กลับมาอยู่กับลมหายใจ คือไปๆมามาอยู่ขนาดอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกว่าเออความปวดนี้มันมันเลื่อนไปละแต่มันยัง ข, ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็มีสมาธิในการที่จะดูพองยุบด้วยฟังอาจารย์ด้วยก็เลยไม่ทราบว่าจนสุดท้ายของการที่จะขนาดที่จะเลิกเนี่ยรู้สึกจิตสงบ มันมันเป็นความสงบที่ได้ยินชัดแต่มันสงบนั่นคือสัมมาสมาธิใช่หรือเปล่าคะคือถ้าจิตสงบไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายก็เรียกว่าสัมมาสมาธิคือจิตเป็นอุเบกขาใช่ไหมค ะ, ะใช่คือนั่งไปแล้วมันเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเกิดความอยากนี้มันก็จะเป็นตันหาขึ้นมาค่ะ พอเป็นตันหามันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมากระสับกระส่ายอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเรากลับไปที่การฟังเทศแล้วกลับไปที่การดูลมหายใจไม่ไปอยากให้ความเจ็บให้ไปอความสงบก็กลับมาใหม่ดังั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายหรือกับอะไรก็ตามก็คืออย่าไปสนใจเขา ใ, ให้เรามีอะไรเกาะใจไว้ ยึดเหนียวใจไว้จะใช้เสียงเทศที่เราฟังอยู่ก็ได้จะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ะะเพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบและขณะที่เรามีสัมมาส ม, มาธิอยู่เนี่ยคือรู้สึกว่าเราถ้าจะนั่งอยู่อย่างนี้ยนานๆไม่มจะถูกไหมคะถูกนั่งไปให้นานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะมันจะเสริมพลังของอุเบกขาไว้ เวลาเราออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้จะได้มีอายุยาวนานเหมือนกับเราแช่น้ําในตู้เย็นถ้าเราแช่ยิ่งนานเท่าไหร่น้ําก็จะยิ่งเย็นเวลาเราเอาเอามาจากตู้เย็นน้ําความเย็นมันก็จะอยู่ได้นานถ้าเราแช่น้ําไว้เดี๋ยวเดีย ว, ยวพอออกมาความเย็นมันก็จะหายไปเร็วเราต้องการมีอุเบกขานานๆหลังจากออกจากสมาธิมาเพื่อที่เราจะได้หนึ่งใช้ในการเจริญปัญญาต่อไป ถาใจไม่มีอเบกขานี่พิจารณาทำไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมให้พิจารณากิเลสมันจะดึงให้เราไปพิจารณารูปเสียงกฤฤฤฤฤฤิริทันทีสังเกต ด, ดูเวลาเอาจากสมาธิถ้าสมาธิไม่ไม่ลึกไม่หนักไม่แน่นเอามาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ย ว, ย ว, ย ว, ยวอยากจะเดือดนั่นอยากจะรับประทานในนี้แล้ว น, น, น, น, นี่เรียกว่ากิเลสออกมาละการมาฉันทะมาละ แต่ถ้าจิตมีมอุเบกขามากเนี่ยออกมามันจะไม่หิวมันจะเฉยๆแล้วเวลานั้นเราก็จะได้พิจารณาปัญญาได้พิจารณาอาการเกิดแก่เจ็บตายอาการ32มสิบสองได้งั้นถ้าเราอยากจะก้าวเจริญเข้าสู่ปัญญาเราต้องอสร้างสมาธิให้มันมีกําลังมากๆให้มันอยู่สมาธิได้นานๆนั่งทีให้มันได้เป็นชั่วโมงเลยได้ยิ่งดี พอออกมาแล้วมันจะเย็นจะสบายไปนานแล้วช่วงนั้นเราก็สามารถพิจารณาธรรมได้พิจารณาไตรักพิจารณาร่างกายได้เราพอชิดพิจารณาบ่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจเราความรู้ของของความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรพอร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาความรู้นี้อยู่พอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะตกใจ เข้าใจไหมดงนั้นตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิไปนานๆให้ชำนาญให้เก่งอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เข้าแล้ก็ให้มันอยู่นานๆพอมันออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอาการสามสิบสองไปจนกว่ามันจะหมดแรงกิเลสมันเริ่มมารบกวนดึงให้ไปดูไปดูไปฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาใหม่แล้วต่อไปเราจะมีปัญญาเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่เจริญปัญญาถึงแม้เราจะมีสมาธิเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้ามีปัญญามันจะรู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันอยากแล้วมันทุกข์สู้ไม่อยากดีกว่ามันก็จะเห็นโทษของความอยากแล้วมันก็จะไม่อยากมันก็จะเฉยเฉยแก่ก็แก่ตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่จะไม่ทุกข์กับมันถ้ามีปัญญา อันนี้ก็มีคำถามหลายข้อก็ดีแสดงว่าฟังแล้วมีอะไรซึมซาบเข้าไปในใจไม่ได้ฟังแบบทับพีในหม้อกแกงฟังแบบลิ้นกับแกงมีใครอยากกระถามยไหมถ้าไม่มีก็อ้ายกมือขึ้นมาเข้ามาเลยกั า, าจารย์คือหนูทํา คือปกติหนูไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่อะค่ะแต่จะฟังฟังพระท่านเทศในซีดีหรือพอดีว่ามีเพื่อนที่เป็นกาลยาณมิที่เดียค่ะเขานําซีดีหรือหนังสือมาให้หนูอ่านหนูก็ได้อ่านบ้างแต่ไปวัดจะน้อยมากแต่การปฏิบัติของหนูก็คือหนูจะดูในชีวิตประจําวันนะคะตั้งแต่ตื่นมาก็คือเราจะทําอะไรแล้วก็จะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่รู้ตัวตลอดเวลานะคะจะเป็นบางครั้งบางขณะ แต่ก็จะทำให้บ่อยๆคือไม่ได้เราไม่ได้ไปเพ่งไปอะไรมันะคะก็คือดูมันไปเรื่อยๆแต่ละจังหวะของมันมันก็จะมีไปสมาธิในการทำของมันไปเรื่อยๆจนจนถึงนอนเลยค่ะแล้วก็แต่ละวันหนูก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งแล้วมันพอทำหนักๆเข้ามันจะเริ่มมีอาการที่ว่าตอนหนูทำมันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยมันไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ละขณะที่ทำมันจะผ่านของมันไปค่ะ มันจะไม่ใช่ขนาดเดิมแม้แต่ว่าเราซักผ้าอย่างเนี้ยเราถูไปถูมาไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะเดิมมันไม่ใช่ขนาดเดิมแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตายแล้วนะเดี๋ยวก็จะไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวแม่ก็จะตายเดี๋ยวคุณลุงก็จะตายมันมันจิดมันคิดของมันเองอะค่ะแล้วหนูก็ดูไปแล้วบางครั้งก็รู้สึกหดหูแต่บางครั้งมันก็จะสอนของมันเองว่าก็รีบทําเข้าสี่ปฏิบัติเข้าสี่รีบเข้าสี่ มันบางครั้งบางครั้งมันก็คิดได้บางครั้งมันก็คิดไม่ได้หนูก็ปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไม่ทราบว่าจะถูกหรือว่าจะยังไงดิขอขอาจารย์แนะนํำเท่าที่ทํามาเรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่สิ่งที่เราควรจะทำต่อก็คือหาเวลานั่งสมาธิบ้างนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบมากกว่าที่เราได้จากการเจริญสติเพราะเราต้องการหยุดความคิดตรุงแต่ง ถ้าไม่มีความคิดปรงแต่งจิตเองจิตจะมีความสุขมากแล้วจะมีพลังค่ะเพราะบางทีที่หนูไปวัดเวลาไปวัดรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตจิตจะรวมเร็วมากค่ ะ, ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันมันมีความสุขมากค่านั่นนหะพยายามนั่งไม่ต้องไปวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็นั่งได้คือเวลาไหนเราว่างไม่ต้องทําอะไรก็นั่งเลยอ๋อค่ะนั่งง่ายมากๆวันนั่งได้หลายหลาครั้งได้ยิ่งดีใหญ่ เพราะว่าการนั่งเนี่ยสำคัญมากกว่าการเจริญสติคือการเจริญสตินี่สําคัญแต่จะไม่ได้ผลเท่ากับการนั่ง <c oughs> การเจริญสตินี่สําคัญเพราะถ้าไม่มีสติก็จะนั่งไม่ได้ถ้าเรามีสติแล้วเราต้องนั่งเอาสติมาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วใจจะมีพลังมีความ <c oughs> สุขแล้วทีนี้จะไม่มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับอะไรตา่างๆ แล้วจิตก็จะเห็นเวลาผ่านไปเพราะเวลาจิตนิ่งนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแต่เวลาจิตไม่นิ่งนี้มันไหลไปกับเหตุการณ์มันก็เลยไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปแต่พอเราจิตเราเน่งแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงะมันจทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลเข้าไปสู่ความจบจุดจบของมันมันก็จะทําให้เราตรงได้ไม่ให้ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็ต้องไปสู่ความสิ้นสุดไม่มีอะไระไม่มีอะไรมาจากดินน้ำลมไฟก็จะสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟต่อไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็ปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์กับการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆอันนี้ต้องพยายามทําสมาธิให้มากๆนั่หลังจากสริญสติแล้วก็นั่งให้มากๆแล้วเวลาเห็นความเสื่อมจะไม่ทุกข์ ก็ <จะ S 2> หนูก็<ะ>นั่งไม่ได้ทุกวันนะคะเป็นแต่ว่าวันหนึ่งก็แต่ละครั้งที่นั่งก็ประมาณชัว่วโมงค่ะพยายามนั่งให้มากๆมีเวลาไหนว่างก็นั่งเลยดีกว่าไปนั่งดูทีวีดูละคร ค, ะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด